ตามหนักผิดปฏิบัติควรต้องทาอย่างไรไปทาผิดไปทาดีไหมถ้าหาผิดก็ทำดีในโดยมีการคกันปฏิบัติตามดย่างของทำดีไหมตางก็ปฏิบัติควรละถอนสิเลผลยินดีตั้งจจปฏิบัติขอละถอนสิเลสาลยินดีตั้งใจปฏิบัติ ตัถ้านั้น้ให้างนะพูดดีน้าดีตาแต่ไม่เคยเห็นเคยหวแถ้ว่างไรแล้วก็ันเขผมจะดูด้่านี่ทอาจารย์ิลาทจาาั เขอาเตียงไปเขาไปถึงท่านโยางไปาทับไล้อยู่หน่งคนสั่งตก่งนก็ถามอยโยเขไมาารอถึงเอาาก็ขอยู่ได้ได้ทำไมเอมาขอร ท่านลออยนขับไลมาท่านลอยอยู่ก็ท่านไต่จังทิลาเป็นพข้างหน้าไหลเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองท่านนะจะมาตั้งหาเป็นผู้ปกครองท่านท่านไต่ังเนี่ยอยู่น้องบัวอยู่รัตนันอยู่ทิลาบวชก่อนท่านเปวันยิ่งฟังติานจะเดินได้กว่จะเอาไม่หลัง รับออกไอ้ถ้าลก็ใส่าท่านไมไม่ใส่ไม่ใส่กท่านใส่ยานยานดูลอุปถัมภ์ท่านท่านก็ูได้ยได้เอาไปเอากลับมาเกลับมากใหญ่ทไม่ไไปแล้ว่เอากลับมาก็ท่านะท่านหกลับมามสานไเดินทาง ไอ้คนนั <sighs> ้นเป็นคนโปรดนะกว่าม <Albert> <tes> ีรถเหนือท่านพาเดินมาแต่ก็ยกเท้าถึงเหนือใบเท้าตัดเท้าย่นกอ่าอยู่ทางนี้เลยผมพาท่านมาด้วยแา่เท้าของผมมุดเอาเนี่ยเป็นใบเดินเท้าถึงคันดีตั้งหลังมาปีสองปีทันกันมันตาดันเนันออนตา บวัวหลายองค์ลงไปจากทางสามผงทางนคม พ, พนมเจียววิเยษไปเจียวิเยกไปคือสถานที่แถวนั้นมันเป็นภูเขาแล้วก็เห็นที่เหมาะดีพอจะอยู่จำพรนษาฝูกลอใจใส่พอเป็นไปทุกอย่างเลยไปสร้างวัดไปจำพรนษา เ็เลยมาไล่ไล่ต่อนี้ไล่ไปไล่มาตก็ปัญหาเอง่ก็ยว่าจามาหลายปีเดือนสามสี่ปีมเพราะท่านนี้มาต้นปีเก้าสิบเจดออกจากห้าเก้าสิแปดสิบเก้า หาร้ยระาายะห้าร้อยหนึ่งหา้อยสองเนี่ยมันมีหนาบ่ดงดังขึ้นมีภาอาการที่ดีๆเด่นๆเกิดมาจากพัะมหาชาติประกาศกันลั่นเพื่ออันเนี้ยสอนทำมา อ, อยู่รำเตี๋ ร้นใหญ่เจมาีคณะปกครองแต่ยานั้นผลดีนั้นฮ้กไม่เดือดรอนวนวาอะไรน่นะให้เจ้ามีปากของเขาอยู่างของเาเนี่ยมาไร่สิงรับพระใจกพอทราบเป็มภาษาทางพระยุคุณมุกดหารตอนนั้นขเป็นซากูมุกทหารโมลียังไม่เป็นทุคข์ยัเป็นเจ้าคณะอาเภอัเสี การพนมแต่ขอขอคณะสงฆ์ให้ทราทาเองกันเดินเบี่ยงเองเบียงก็เสดตกมามันกงมีเบื่ยงที่จะไล่นี้ได้เพราเป็นคณะสงแล้วคนที่สื่อใจสะดวกสบายแต่าก็อขหาเบี่ยงต่างๆก่อขุนหวุนไ โ่าโยโอ๋สดนเกลียดไปโอ๋สิไม่โด้เียดิเขาเคยเป็นศิดกันในมัยยังสามาก่อนนั่นเขาไมนั่นเตั้งมั่นพอสมควรหวั่นไวไม่จะว่าอย่างป็เรื่องของเขาทํรมวาสวาสเองปากของเราก็คอยพูดกันพูดกันียดนะศิษิอาจารย์โยมเคสอนเป็นบ้าองเมีนะก็ครูอาจารย์เคยผ่านการปฏิบัติ การสอนที่ต่างใจทำจริงมันเป็นจริงได้พรเขาสนใจต่างใจทำจริงจิตของแกจะสงบสงบคนก็ออกชอบจิตออกสอบรู้สิ่งต่างๆเพรเป็นการเรียนในใจในกลางก่อนไอจีเจน่าไอจีงจิตไปดูอันนั้นดูอันนี้เห็นที่สุดไปเลยอยากจะดิ้นใจเห็นมาหา มาเป็นงั้นก็วันไหนเป็นวันสำคัญแล้วก็เน้นเป็นนิดอายุติขวดสิด ส, สองขวดมาเขียนกระถูให้เน้นเล่ทาท่องเป็นคข้องปากตั้งกันในที่รับแล้วก็ประกาศว่าวันนั้นวันนี้ใครที่อาา่านออมาหาเน้นฟงเน้นเทศแนสอนยาขึ้นธรรมะ คนอยู่ไกคนประกาศให้เขาไปฟังเข้เท่โด้ดีนะตเขเขียนเอาไว้เงนทองน่ายของต้องฝึกซ้อมกันดีแล้วไม่เท่แต่คนอื่นเนี่ราบเรื่องยากเขาจินอย่างนั้นกินเหนือไปจากนั้นก็อนนั่งภาวนาอยากจะอวดคนนี้เกตเอาบันไดไป ขาดหลังกะจีเน้นหินไปนั่งภาวนาอยู่นู้นกะจีิงสีงก็มันได้ยไปทีกองกันใหญ่ว่าเน้นนา่งภาวนาอยู่นู้หายไปไหนในตาของนั้นก็าหาไหามาเสายไฟไปดีนั่งอยู่บนหลังกะจีมันถออมาต้นไฟกันใหญ่นะ อุบายของเขาเขาจะทำให้คนนิยมจน ช, ชอบไปตนอย่าง น, นี้มีฟังมีฟ้าในคานึงคานวณถึงทำดีในว่ามันจะเสอยไปอย่างไรเมื่อทำไปแบบนั้นคนก็่อมใส่ศรัทธาหลังไหลไปผลที่จุดเนียนที่บวช อ, อยู่คนที่หอกถึงไปเกาะหลังติดกอดีคนที่พระจีอ่านมา เดิมันนานใจมันเครียดก็ดีมันก็โยงไม่ได้กิเลสของมันมันมีมันไม่ใช่มันดิีมันดีเพราะมันฝึกศาสนามันสูงมากบว่าเล่าเรื่องไตต่างขายมาแบบเออเสียมไม่เสียปะโลกหเ่ว่าทางสายสารวัรไม่ว่าทางศาสนามันมีสิ่งทุกอย่างทำให้พอดีควางงาม โลกไม่คนรคนมีปัญญาหรอกเพราะถึงจะควรคิดหาอะไรมันเป็นของดีของชั่วจะไปเชื่อลมปากของคนโดยลอยลมก็เสียไปดีงามนะดุจสมัยนั้ไปคนใหญ่เพต้องควรหลังมาเรียมไปเสียมไปทุกวันนี้รู้สึกเงียบหายเลพอต้องควร แล้วไปได้ย like ินเสียงอย่างว่าหยหน่องหน่อแนทางเส้ใหม่ก็ดนใหญ่ไม่อ้เจ็บตื่นไมเจ็บต่ก็ไม่ังไม่าแต่ถ้าเกิดใช้กันหนกเกะก็ไปเป็นจัพวกคุณยิงคนนยอับตายแย่ฉเิดนไม่ที่อื่นแบบนี้ตึดเิด้ไป อยู่กันดูกป็พ <c oughs> นพ <c oughs> <c oughs> ันอยู่ไปกันเจ้าชายก็เป็นเจ็บเรื่องของศาสนาในบาปปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตจะไปถ่างหน้ามีดีชั่วที่เป็นคู่กันตอนนี้ หลวงไต้จา่าคนนี้ไส ย, ยามานน <c oughs> มีักรทัตคำหนึ่งคำหนึ่งที่มีที่โกรนนะไม่ใช่ว่ามันจะดีถ่ายเดียวช่วงมันคงมีนคนคิดออกข้างนอกไปหลอกลวงคนอื่นจะเป็นเถื่อของสมณะแตตามเถส่อนของ แก่งมก็ตามทคนทงเสทงเสิตตามนมาาคนตแก้ไขชั่วกาจิตใจของตัวเวลาเป็นพระหรือเป็นฆราวาอยู่สถานที่ใดสงบเงียบโยนสามีางเมาก็ยิเป็นประโยชน์โลกร จุอบรมใจทางศาสนาเราผุ้ได้เจ้าเคยนำปฏิปทาทังท่านมาแนะสอนพวกเราด้วยการเอาจริงทำจริงสำลักจริงจิต็นคัาสุดอย่าจิตใจใจของตนไม่ได้มุ่งผลควรอืน่นเพื่อเรื่องตอบแทนมุ่งดูจิตใจของตนหลักธร แบบนี้ผลจีตแสนงรัตเกิดขึ้นอย่างไรทำให้ใจวุ่นวายขุ่นมัวหรือไม่หรือ ท, ทำให้ใ จ, ใจงงใสงบสงสท่านสอบสื่อที่มิจฉาณาภายในอยู่ตลอดเวลาเป็นทรถูกต้องแก่ไขจิตใจของท่านบริสุทธิ์เป็นมีมุตซึ่ง ทีสท่นรู้ท่านเห็นเป็นธรรมีีสุคุมละเอียดเป็นคิดพ่อพระไทยของพระองค์ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกก็ไม่มีใครที่จะทราบได้เห็นได้เพราะธรรมเป็นของสุคุมละเอียดอ่อนถ้าไปแนะไปสอนก็คงจะไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไร็นจะปิดพ่อโอ๊ดปาริมิตพาน ตามตำนานเก่าเพราะทาที่ท่านรู้ท่านเห็นมันทวกนกระ้สจิตของผู้ทุชนคนหนาถั่วไปแต่ด้วยอา น, นาจพระเมตตาบารมีของท่านเคยสะสมมาเพื่อจะเป็นศาสดราสอนสัตว์เลยแล้วเล็ก เ, เมกได้ก็เราเองก็เป็นมนุษย์ถ้าท้าสี่นี่งมีครูมีอาจารย์มาแนะนำ เขาสอนอะไรทำไมเราถึงรู้ได้ใส่ใจได้เห็นได้ธรรมะแบบนี้มนุษย์เพ่อโลกก็คงใจนมงผู้ที่มีอุปนิสัยเบาบางความติดใจฝึกอบรมใจให้รู้ให้เห็นได้ทันจริงเหยียบกับดบกบัวตีเหล่าดบกบัวบางจำพวกโขก้นจากน้ำคอยรับแสงภาคิด พอถูกแขวงไปพิษก็แยมบ้านได้บางเหล่าก็อยู่ในน้ำํำผุ่งนี้เปรู น, นี้ก็จะโผล่พ้นพิษมาอีกบางเหล่าก็อยู่ลึกลงไปอีกบางเหล่าก็อยู่ในตมมันมีหลายเหล่ามีคนเราก็ทํานองเดียวกันท่านจริงตรงนีสอนที่ใจนาสารโลกเป็นอย่างนั้นขรงนี้สอนเรื่อยไป แต่พระพุทธเจ้าท่านในเหมือนพวกเราธรรมดาท่านมีตาทิพย์หัวทิพย์ท่านมีพย า, ยานาทายในที่แกมาอะไรชัดเปลียนเห็ น, นประจับคนที่ควรโปรดท่านจึงเสด็จไปโปรด ค, ควรดีเนี่ควรโปดท่านไปโปดเหมือนเะนี้ยสอนโยชนใหญ่ท่านทาแบบนั้น ดังนั้นการโตดการเทศของท่านที่มีความผิดหวังไปเทศที่ไหนคนฟังจะต้องเข้าใจแล้วปฏิบัติกายใจให้เห็นให้รู้ท่านรู้จักนิสัยของคนอยาควรจะแสดงทำอะไรให้คนเหล่านั้นระดับลฟังจึงจะได้ผลท่านพิจารณทั้งคนและทั้งธรรมที่จะแนะนเหมือนกันกันกบแท้ ผีฉลาดคนพบสมุทฐานของโลกแล้วกอกยาที่เป็นประตปักที่จะแช้ไข้โลกให้เหี่ยทายไปต้องหายาอะไรมาใส่สท่านแผลด่าทราบแล้วก็หายาจํนวนนั้นมาฉีดมาทานมาทาโรคที่มีอยู่ก็หายไปจากกายของเขาพ้จะพุทธเจ้าประทานองนั้น การสอนสัดไมในสอนคุนเราอย่างพวกเราลัวไปการสอนของท่านจริงเป็นผลเป็นประโยชน์ศาสนาเป็นมาตลอดทุกวันนี้ก็เพราะท่านฉลาดรู้วิธีการแนะนำสอนและบุคคลจีกคนสอนพวกเราทุกวันนี้มันขายก่อนซื้อจังเลยมีอะไรภายใน ใจของตัวแต่ตัอยากจะเป็นผูนะผู้สอนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเกียคนที่คิดตรงอย่างนั้นโดยมากไม่ค่อยจะสงบไม่ค่อยจะสบายไม่ค่อยจะได้ผลถ้าเขาอยากเขาสนใจเขายินดีเดือดใสจริงจังทาดีในธรรมในตาไม่ต้องไปประกาศศาสนาเขาก็มาหาเอง พอเขาสนใจเมื่อเขาสนใจเขามาหาเองเขาศึกษาเองธรรมะที่พูดออกไปโค้ตรงจุดกับที่เขาศึกษาเขาเขาสนใจจุดไหนเราจิตมันมีตาใจก็พอทราบได้ว่าเขาสนใจจุดนั้นที่เราเคยไปพูดไปฏิบัติดูเห็นจนมาอย่างไรแล้วก็พูดตามตามจริงที่เราเคยดูยเคยเห็นนั้น ตู่เขาฟังเขาก็เข้าใจในการจะพูดปฏิบัติต่อไปถึงมีจํานวนน้อยก็เป็นผลเป็นประโยชน์มีคุณค่าสาระส่วนจำนวนมากศาสตราจา ร, ะจาระนะคนนั้นมาคนนี้มาเจ็ดคุณสี่ ค, คุมห้าผลตีระลักดคนไส่คุ้มค่าถ้าอยากดีไม่มีอะไรทั้งตัวเขาฟังคนขส่ใจทั้งตัว เพือธิบายตัวเสียเวลา <c oughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นให้ส่วนใหญ่สมัยนี้เป็นไปแอยานั้นมีการมีงานต่างๆเทศพอเป็นพิธีในเิเชศที่จะให้คนเข้าอกเข้าใจเรื่องไาสศรัทธาสาพิตปฏิบัติการลาจาใจของตนเหตตรงในธรรมะยินยนให้เพราะฝุกเทศ ก็เถิดด้วยความจาเป็นผูกฟังก่อนฟังด้วยความจำเป็นทำในทำอย่างนั้นพิจารณาศาสนาก็าจะเสียหายไปถ้าเราลึกนิกเฉยๆนั้นถ้าเอ่ยทำมากขึ้นตั้งโมยัางหมจบเหนอยงอยนอนเหน่อยเหน่อยเหนื่อยหิแล้วมันเป็ทกานองนั้นศรัทธาที่อยากจะสั่งทำนัะมันมีน้อยมันไม่มีก็เลยก็เป็นได้บางทีถ้าจับใงแผ่นกาลังแสดงคำทำนั้นก็คุยกัน หาเหล่าหายามากินกันต่อหน้าต่อ ต, อตาพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์กาอนุโลมอนุโลมเลือ่อยไปผลที่สุด ก, ก็เลยเ ส, ส, ส, สียกันไปทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสพระพุทธเจ้าท่านเหนือแบบนั้นท่านสอนกันอย่างจริงอ่างจังคนฟังก็ตั้งจิตตั้งใจสดับแรกฟังนอกจากนั้น ตัวของท่านเองของตั้งหน้าต่างต า, ตต า, าปฏิบัติรักษาขอวัดปฏิบัติทางกายกขอสอนทางวาจาขอสอนทางจิตใจขอสอนกายสอนอย่างไรขอวัดปฏิบัติที่ท่านทาทุกอย่างเป็นหน้าเลื่อนใสของผู้ที่ใดประสบพบเห็นทางวาจาของท่านทางขอสอน สิ่งใดที่เชื่อที่เสียต่างๆให้ละสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ให้บำเพ็ญทางใจทางสอนด้วท่านโดยจิตอนุตรอะไรควรจะมาดาว่าดูถูกนินทาท่านก็ไม่หวั่นไวหวมีพระไทยเอยียงไปตามเรื่องลมปะาะเขาใจกันเร้เสนเดินย่อถูกหลาดตะจละ มากมายหลายเหลีอยงเขา้าท่านก็่าหนึ่งหลงไหลไปตามอานุสวรนั้นท่านสอนได้ทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพวกเราท่า น, นเป็นอย่างนั้นคุณภาพของธรรมะเป็ผิดกันแต่ท่านสอนดังนั้นพวกเราผูกเป็นนักปฏิบัติถ้าหาก ที่นี้ี่เจนยกพ ร, ระพุทธเจ้าขึ้นเป็นศาสตาปฏิบัติกาลร a า a ของตนอย่างท่านถึงจะเหนือหน่อยเหนื่อยหิวลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์พระพุทธเจ้าถ้าไม่ทำเล่นถ้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกประการตลอดชีวิตของท่าน หากให้เห็นให้เป็นให้รู้ไม่ฉลาดว่าให้ตายดียเสียดีกว่าที่จะยังเหลืออยู่ดังไรเราจะต้องคึปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เห็นให้ได้ยกตัวอย่างวันจะตัดส้วนท่านตัง้งจปฏิทนินเลือดเนื้อในการจะเหียดแห้งไปแต่ตามทีเมื่อไร การเกิดความดีวิเิดเป็นพระพุทธเจ้าจะนั่งอยู่นี้ในมียอมลุกจากที่จะตายก่อนให้มันตายไปมีความตั้งพระทัยของพระองค์ยอมเอ ส, สียสละชีวิตเกี่ยความดีจริงๆการปฏิบัติมาก่อนนั้นก็ม้วนกันไม่ใช่ทันทํามเล่นๆยอมเอสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหน้าศึกษา เราะว่าดาด่านไม่ดีก็ไปศึกษาด้วย อ, อํนานาจสติปัญญาตามปีชาสระทั้งท่านที่ไปศึกษากับดาบททั้งสองอุตตกาดาบทกาลามโคตรและดาบทกาลามบุตรพวกนี้ด้านสำเร็จสมาบัตรแตะท่านไปศึกษ า, ากสมุทีเดือน ส, สานําเร็จได้ สมาบัตเหมือน ก, นกันกับอาจารย์ทั้งสองจนอาจารย์รับรอง่อามีความรู้เสมอท่านและอยากจะให้เป็นครูเป็นอาจารย์แม่สอนประชาชนแทนท่า น, แ, านแต่ถ้าองค์ท่า น, นพิจิตติเจนาภ า, ายในมื่อใจสงบลงเรียนเป็นสมาธิเป็นสมาบัติตขณะนั้นที่เหลือตันหามันก็ไม่เกิดขึ้น แต่เวลาจิตใจถอดถอนออกมาก็จะ ม, มีอะไรละถอนกิเลสทราบได้เ่ะสมาธิสมาบัตของดาบทนั้นเหมือนกันกับหินทับญ้าเมื่อหินยังอยู่หญ้าก็จสามารถทิ่งงอกขึ้นได้แต่เมื่อเอาหินออกไปหญ้าก็จะงอกขึ้นฉันใด สามาชัรทั้งเป่ายี่คุณขี่พิเลตก่ทํงานเดียวกันไม่ใช่ทางกัจธรรมถ้าองค์ทราบถ้าองค์เขาใจยอย่างนั้นโดยการที่นิพพาณาของท่านหมายถึงว่าความส ง, งบนี้ส ง, งบดีแล้วที่เหลตปัญหาหมดไปแล้วดีที่เสีดแล้วไม่ได้เชื่อแต่ขณะเวลาที่ส ง, งบเวลาถอนออกมาทำงานพิจารณาอีก ไม่เฉื่องงมงายท่านจึงแสวงหาทำทุกกัจิริญาจีชาวโลกเขาถือกันว่าสมัยนั้นคนที่ทําทุกข์กัจิตญาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดีฤทธิ์หมดที่เลืดได้เพราะโลกเขานิยมทําอย่างนั้นท่านก็ทําทําไปทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งทุกอย่างจนกว่าจะวัดดีเหลือ่อมไสเต็มใจต่อพฤติบัติ ดูแลท่านเพราะถ้าทาการจินจังจนสลบสลายแต่ทาไปจนถึงที่สุดก็ไม่เห็นเกิออดอะไรขึ้นนอกจากความลำบากเหนื่เหนื่อตตยเหนื่อยหิวเป็นอับไตจิลมัาหาประโยชน์ไม่ได้ทั้งก็เลยที่จะมาดูหลองโองการแต่กายไม่มีกระทาคุณความดีไม่ได้ เราจะหักโหมกายให้มันตายโดยเสียเพราะการหน่ใส่เว้ยไม่ดื่มอะไรนี่แต่ตั่งใจทําความทักความเพียนทักคือทรมานกายแถวนั้นมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นทํามาจนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวจนชกบชีดพร้อมจนที่แล้ว ไมมีอะไรเกิดขึ้นความคิดของท่านความรู้ของท่านเกิดขึ้นแต่ถ้าอินทรีย์สามสายมาทดรองให้ดวงตามําหรับตำลาทางโลกเขาเป็นกันไปพอดีมันก็ขาดหย่อนเกินไปพอดีมันก็ไม่ดังพอกลางๆลงิ้นไส ดีได้เพราะไม่ขาดและเสียงดีนี่เป็นเรื่องความเกิดขึ้นจากการกระทำความเพียรพิจิตรมาทั้งท่านท่านจริ ง, ง, งยอมสวยอาหารพรสวยอาหารพว ก, กนวคนแต้วขี้แต่หนี้จากท่ า, านแต่เมื่โคโดมคขาดความเพียรเยียด ม, มาเกี่ยวกับตั้งมากเขาถึงว่าการ สวยอาหารของพระองค์จะไม่มีทางกับถารูแต่ก็เชื่อก่อนนั้นว่าท่านองค์นี้ท่าอยู่ในคารวะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบรรพชาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อนะยังค่อยนี้จากคารวะมาบวชก่อนพระพุทธเจ้าพอได้ข่าวพระองค์จะเด็จที่เนตรกลมที่ออกบวชทาบข่าก็ดตามหาจนไปพบ ปฏิบัติอุปถาโดยเมื่อท่านไม่ปฏิบัติทุกข์กิยจิยาพวกเหล่านั้นทายศรัทธาห น, นีไปแต่กุศลหนักที่ของท่านเป็นโชคดีของท่านเมื่อไม่มีใครรบกวนวุ่นวายไม่มีใคร่ยวข้องความรีไร่วังเวงในโยกของท่านก็มา่อยู่สถานที่ใดอยู่คนเดียวมันสงบ ไม่มีใครที่จะไปชวนพูดคุยถ่านั้นฐานนี้จะพิจารณาอะไระก็พิจารณาได้อย่างเรีนยนโยมนัง่งเพาวานาะพักผ่อนหลับนอนก่อสะดวกสบายเพราะไม่มีพักเปลี่ยนผูกผู้คนจะเกี่ยวข้องก็เลยเป็นโอกาสเวลาที่สัน่นพิจาราสะดวกสบายมีเรื่องของพระพุทธเจ้าทำมาทุกสิ่งทุกส่วนพดตอบมาเด็ก ตัวของฉันเองที่เป็นธรรมะที่การเทศสอนในธรรมจกักรตามาสุขันหรือตอตรรากิลมัฏฐานเดินมาทํามาแล้วเราปล่อยไปตามยืดตัญหาตามธรรมดาของความนึก ค, คิดในใจิตในใจอยากไปกว่าไปอยากอยู่ก็อยู่อยากพูดอยากคุยอยากกินอะไร ก็ทำไปตามความอยากของตนผลเกิดขึ้นเป็นอย่างไรถ้เองสอบสืบคิดนิพยนาตัวของท่านแลรามีอะไรดีดีเขึ้นให้ปฏิบัติทุกการจินิยาอดนอนผ่อนอาหารทำความผาดความเพียรทางสายอย่างเป็นที่เป็นฐานภาวนาเป็นที่แล้วมีใครที่ไหมจะ เลิไปกว่าพระ อ, องค์ก็เคยทำมาเป็นอัตตาคิริมาถานโยกไปเกิดเจอคุณงามความดีอะไรให้พระองค์จึงมาถือสายกาคือมาติมาพอใจทัองท่านประพฤติปฏิบัติเข้าใจส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเวลามันพอดีพอ ง, งามเป็นอย่างไร พระองค์าบในพระไทยของพระองค์คนที่ไม่เคยจะทำ่อเลยมักกล่าวหาดูหมิน่นมินทาทระกรรมฐ า, านอยู่ตามป่าตามเขาอดข้าวอดหลับอดนอนเขาถือว่าขวกนี้เดินอัดใส่กางเางี้ยุกขาดการศึกษาในทราบ ว, ว่า <c oughs> เป็นทางผิด ปฏิบัติโดยเงมงายพระพุทธเจ้าท่บบนานเคยทำมาท่านเคยบัญยัติสำหรับตำราเอาไว้จะเป็นทางเป็นไปเผื่อทุกข์เปล่าในด้ดานสารประโยชน์อะไร